วันนี้เฟซบุ o กเข้ามาเท่าไหร่2องสองสองร้บได้แล้วพี่จันทางยูทูบสามสิบแ38ค่ะสาวันนี้มีคำถามก็ม า, อ, าอีกแล้วนี่ค่ะว่ามาเลยคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณณพลนะครับเคยมีนักปฏิบัติสอนว่าในเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่ใช่วินัยสงอย่าเพิ่งไปอ่านตำราให้ปฏิบัติไปก่อน ซึ่งใจหนึ่งผมก็เห็นด้วยเพราะเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วใจมันอยากให้เหตุผลเหมือนในตำราแล้วไปต่อไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกขัดขัดเพราะเท่าที่ทราบมาพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านก็ศึกษาปริยัตมาก่อนอย่างหลวงตามหาบัวหลวงปู่เมืองท่านก็ศึกษาพักที่วชชะนส่งคามผมเลยไปไม่ถูกว่าจะเชื่อฟงใจ ตัวเองอย่างไรครับขอคาแนะนำการจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเรียนวิธีกระทำก่อนขี่จักรยานนี่ต้องเรียนั้ยอยู่ดีๆพี่ขี่เองได้ไหมว่ายน้ำเนี่ยทำกับข้าวอของนี้มันต้องเรียนกันก่อนต้องรู้จักวิธีทาก่อนแล้วค่อยไปทำทำเองก็ได้แต่ทำแล้วมันอาจจะไม่ถูกไม่ได้ผลอย่างมีฝรั่งคนหนึ่งสบายที่อาจมาอยู่เมืองนอก เขาอยากจะกินข้าวผัดเขาก็เลยเข้าวสารใส่ไปในกระทะผัดเลยเอ่อไม่ได้หุงเขาไม่เคยไปเรียนมาเขาแค่ผัดข้าวก็เอาเข้าวสารไปแล้วเหมือนกันเลยไม่ได้เป็นข้าวผัดอย่างที่เวลาว่าไปกินในร้านนี้ทําไมมันเป็นข้าวผัดพอเขามาผัดเองก็มันไม่เป็นเนาะก็ไม่เคยเรียนวิธีทําข้าวผัดมาก่อนเนี่ยแล้วก็ผัดเองเลยเงี้ย เนี่ยพวกที่นั่งสมาธิแล้วไม่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่นั่งแล้วก็จะเป็นบ้ากันเพราะนั่งแล้วไม่ไม่คุมควบคุมใจนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจมันคิดไปตามเรื่องตามราวแล้วก็หลงไปกับสิ่งที่ให้ที่ปรากฏขึ้นมาโอ้ยเราเป็นโสดาแล้วเราเป็นนุม่มเป็นนี่แล้วเป็นเทวดาแล้วเนี่ยมันเนีย้ยนั่งแบบที่ไม่มีวิธีไม่รู้จักวิธีมันต้องเน้นมันมีวิธีถูกวิธีผิดนั่งเน่ย นั่งที่เป็นบ้าเพาะหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ไม่ยอมเชื่อใครใครไปห้าไมไปบอกก็ไม่เชื่อเชื่อตัวเองคิดว่าเหมือนต้องเหมือนต้องเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องต้องศึกษาเองเรียนเองแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปศึกษาเองท่านก็เรียนมาก่อนท่านไปเรียนวิธีนั่งสมาธิมาก่อนไม่ใช่ท่านจะทาเองท่านเรียนยังกระทั่งถึงขั้นปัญญาที่ไม่มีใครรู้เนี่ ท่านถึงต้องไปค้นหาคำตอบเอาเองนั เ, เรียนดีกว่าเรียนแล้วมันจะปลอดภัยกว่าไม่เรียนเช่นคุณอยากจะตีกอล์ฟนี่คุณไปเรียนไม่ล้วคุณไปตีเลยตีก็ตีได้แต่ตีมันจะลงหนุมหรือเปล่าใช่ไหมวิธีจับไม้จับยังไงวิธีหกใช่ไหมมันมีวิธีเล่นอ่ะจะตีแบบนั้นก็มีวิธีเล่นตีกอล์ฟมันก็มีวิธีเล่นทุกอย่างมันมีวิธี ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ได้ผลดีเนี่ยนี่จจะเป็นปัญหาของคนไทยเราเนี่ยชอบไม่ชอบเรียนกัน เ, นเล่นกีฬาก็เล่นกันเลยมันก็เลยแข่งกีฬาเขาทีไรก็แพ้เขาทุกทีเพราะเราเป็นพวกมวยวัดเราไม่ได้เป็นมวยแบบอาชีพมวยที่เขามีกฎมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาของ พวกเราอาจจะเป็นตรงเนี้ตรงที่ว่าอยากจะทําอะไรทําเลยอมันเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเห็นเขาเตะก็เตะเลยก็เตะได้แต่เขามีเทคนิควิธีเตะมีอะไรต่างๆที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไปเรียนก็ทํำไมำถึงต้องมีโค้ดล่ะก็มีโค้ดไว้สําหรับเพื่อที่จะสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้พระสอ ง, องค์เจ้านี่ก็เป็นเหมือนโค้ด ที่จะสอนวิธีนั่งสมาธิแต่สมัยนี้ก็หาน้อยพระสงค์องค์เจ้าเนนี้ท่านจะไปทำอย่างอื่นแทน่อมากกว่าท่านจะไม่ค่อยมาสอนเรื่องสมาธิท่านจะสอนเรื่องอ บ, บ, บุญบุญบุญบางสังสวดมากกว่าถ้าอยากสังถ้าอยากถวายสังฆทานไปหาท่านเลยท่านจะสอนวิธี <c oughs> แต่ถ้าจะไปเรียนวิธีนั่งสมาธิท่านไม่สอนลนะ หายากหาหาพระที่รู้จักวิธีนั่งสมาธิที่ถูกตั้งนะหายากก็เดี๋ยวนี้ก็อาศัยตำราก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตำลาของพระพุทธเจ้าของเราก็ยังใช้ได้อยู่ไปหาสติปัฏฐานสูตรดูท่านสาธิวิธีนั่งสมาธิด้วยอานาปณะสติให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติดูลมเข้าดูลมออก อย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวลมก็จะใจก็จะสงบลมจะพาใจเข้าสู่ความสงบเองถ้าเราไม่คิดอะไรถ้าคิดก็นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่สงบต้องไม่คิดต้องดูลมอย่างเดียวนั้นสรุปแล้วก็คือศึกษาเถิดศึกษาวิธีที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้ า, าสอนปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ปริยัติก็คือการศึกษาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติปฏิเวทก็คือบรรลุผลบรรลุปเป็นโสดาบันสกิดาคามีอน า, าคามีอารหันต์คำถามข้อต่อไปจากคุณเต่านะครับเวลาผมนั่งสมาธิไปสักพักพอเริ่มสงบแต่ยังไม่ดิ่งสู่ความว่างมันมีความคิดเล็กคิดน้อยแทรกมาประมาณ นาทีละ 2-3 ความคิดแต่พอรู้สึกตัวผมก็ดึงสติกับสู่พุทโธเป็นอยู่แบบนี้ตลอดผมเลยคิดว่าตัวเองต้องไปปรีดวิเวถึงจะมีสติ ค, คอยระวังตัวเองให้เข้าสู่ความสงบได้ใช่ไหมครับเออน้องสร้างสติให้มีกำลังมากให้มันต่อเนื่องตอนนี้ยังล่มลุกคุกคาอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายพอหายก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่เข้าไปข้างในได้ มันต้องไม่มีความคิดเลยมันต้องมีแต่พูดโทัอย่างเดียวมันก็จะเข้าไปได้ง่ายเข้าไปได้เร็วคุณสเฟานตอบมาว่า you're welcome ค่ะ he said you're welcome คำถามจากคุณเบียค่ะในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันแล้วผู้เป็นลูกควรใช้ทําบทใดถึงจะทำให้ครอบครัวมีความสุขคือจะพูดกับพ่อแม่อย่างไรครับถึงจะลดปัญหาไปได้ สงสารพวกท่านครับพอพวกท่านกำลังทุกข์เรื่องของพ่อแม่นี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นลูกถ้าพ่อแม่เขาไม่มาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไระเราก็อยู่เป็นปกติไปรักพ่อรักแม่เหมือนเดิมส่วนพ่อแม่เขาจะโกรธจะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาก็โกรกันเดี๋ยวเขาก็รักกัน เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ด้วยกันแต่เราไม่ควรที่จะไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรจะไปเข้าข้างพ่อไม่ควรจะเข้าไปเข้าข้างแม่แ ต, ต้องรักพ่อรักแม่เหมือนเดิมปล่อยให้พ่อแม่เขาแก้ปัญหาของเขาไปเองนอกจากว่าเขาขอให้เรามาเป็นคนช่วยเราก็ค่อยเข้าไปช่วยถ้าเขาไม่มาขอเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะ ถามจากคุณผักขมค่ะบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นนั้นคือตัวปัญญาใช่หรือไม่เจ้าคะการนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของการของการเรียนรู้แต่ไม่ใช่เป็นปัญญาทั้งหมดเราต้องบอกตัวเองต้องสอนตัวเองต้องควบคุมตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเองคำถามจากคุณพัชรา น, นะครับ เียวเนื่องกับคำถามของคุณฝรั่งค่ะเราควรใช้ธรรมะใดมาสอนตัวเองไม่ให้รู้สึกขวดหูใจเวลาเห็นข่าวสังหารเด็กหรือผู้บริสุทธิ์ในโลกปัจจุบันค่ะก็พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่อย่งหนึ่ ง, งว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาแลวเราก็มีกรรมเป็นของของเรา เราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการตายนี้ก็อาจจะเป็นการรับผลของกรรมที่เคยทำมาจึงทำให้คนเราบางคนตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วตายไม่พร้อมกันแต่ที่แน่ๆก็ที่เหมือนกันก็คือตายเหมือนกันเิ็นถ้าเราเห็นถ้าเรามีปัญญารู้ความจริงเอนงี้เราก็จะทำใจได้ว่า เป็นเรื่องปกติทุกคนเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปส่วนจะตายดีตายไม่ดีตายแบบถูกใจหรือตายแบบไม่ถูกใจก็เรื่องของกรรมก็นแล้วกันถ้าทกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจข้อที่สองเมื่อตายขันห้าดับหรือไม่คะถ้าเช่นนั้นการระลึกชาต คือสัญญาเดิมที่ตามติดจิตเดิมมาหรือไม่คะ อ, อ๋อนามขันไม่ดับนะนามขันยังอยู่ที่ดับก็คือรูปประขันคือร่างกายร่างกายก็สลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดยังอยู่ยังอยู่ที่ใจแล้วก็ถ้ามี กำลังก็สามารถที่จะระลึกถึงอดีตได้คำถามจากคุณสันชัยค่ะต้องทำบุญกับพระสงฆ์เท่านั้นเช่นตักบาตรถวายพระตาหารทำสังฆทานเท่านั้นจึงจะสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่ยืนยันนะเพราะว่าบุญนี่มันเกิดได้จะถวายกับสงฆ์ก็ได้ถวายกับ พ่อแม่ก็ได้คนไหนก็ได้คือบุญมันเกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปเมื่อเราให้ไปแล้วใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มมีความสุขใจ mm. นี่คือสิ่งที่เราจะอุทิศไปให้แก่ผู้ลงรับก็คือความอิ่มใจสุขใจงั้นเราทำอะไรแล้ว เ, เกิดความอิ่มใจสุขใจเราก็ควรสามารถอุทิศให้เขาอุทิศไปให้เขาได้ การบริจาคเงินสร้างโบสถ์สาราศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่สามารถอุทิศ ส, ส่วนบุญได้ใช่ไหมคะได้ก็เป็นทานเหมือนกันเป็นเป็นการทำทานเหมือนกันคำถามจากคุณจรนะครับข้อที่หนึ่งการที่เราเป็นคนที่ยอมคนอื่นในทุกๆเรื่องเช่นเรื่องเงินก็ยอมให้เขากกงเงินเรื่องงานก็ยอมให้เขาเอาเปรียบกินแรงเรื่องที่จอดรถก็ยอมให้เขาจอดขวางทางหน้าบ้าน หลายครั้งทำให้เราต้องเดือดร้อนแต่เราคิดอยู่เสมอว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่น่าจะต้องให้พูดน่าจะคิดเองได้แต่เรากลับเลือกที่จะยอมอ่อนข้อให้เขาเพราะเหนื่อยที่จะพูดเรื่องเดิมๆการยอมแบบนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือไม่ครับไม่หรอกเป็นการทำบุญไงะตะเกียบว่าเป็นการทำบุญไปเราไม่ต้องมาวัดเลยทาบุญที่ตรงนั้นเลย สบายใจทาบุญแล้วเราสบายใจข้อที่สองและผมควรที่จะทำใจอย่างไรครับเพราะแม่ผมเองก็เคยเตือนอยู่เสมอว่าอย่ายิ้มอย่าใจดีกับคนอื่นนะักเขาจะเอาเปรียบเราขมเหงเราได้แต่ผมไม่ชอบทำหน้าบึ้งใส่ใครเจอใครก็ยิ้มแต่การเป็นว่าคนอื่นมองว่าเราอ่อนหลอกง่ายข่มได้ก็เลยถูกเอาเปรียบตลอดมา เราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเราเองบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาเอาเปรียบตลอดเวล า, เ, าเรากันได้เขากันไว้แต่ถ้ากันไม่ได้เขาจะเอาเปรียบก็ปล่อยเขาเอาเปรียบไปที่ว่าเป็นการทําบุญไปมันเป็นความเมตตาแล้วมันทำให้เรามีความสุขดีกว่าที่เราจะมาคอยอกังวลกับการเบียดเบียนกับการ เเออาปรียบขงคนนอื่ำถ า, ามาจากคุณปีชาค่ะเวลาผมนั่งสมาธิมักจะมีเสียงที่ใจหรือสมองมักสร้างขึ้นมาเช่นเสียงคนคุยสนทนาคุยกันจับแจ๊กจอแจทําอย่างไรเสียงเหล่านี้จะหายไปครับ อ, อ๋อใหม่ๆ ม, มันก็มันเป็ น, เ ป, นเป็นปกติของใจเราที่มันชอบสร้างเสียงเหล่านี้ขึ้นมา มันจะไม่หายไปทันทีทันใดแต่ถ้าเราคอยเจริญสติอยู่บ่อยๆคอยให้ใจอยู่กับคาบริกรรมบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มาเะฉั้นตอนต้นมันมาเพราะสติเรายังมีกำลังน้อยแต่พ็เราสร้างสติขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มาคาถามจากคุณอาจารย์งามค่ะการสวดน้ำกับการแผ่เมตตาต่างกันอย่างไรคะ คือกวดน้ําก็คือเราทําบุญแล้วเรามีบุญเราก็กวดบุญนี้ไปโดยใช้น้ํานี้เป็นตัวอย่างของบุญตอนที่อุทิศบุญนี้ไม่ต้องกวดน้ําก็ได้การกวดน้ํานี้คือการอุทิศบุญที่เรามองมองเห็นมองไม่เห็นบุญไงบุญมันเป็นของ เ, อเป็นน้ำมาทำไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เราก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างเป็นซัมเปอ ว่านี่คือบุญเราเทน้ำใส่ลงไปในภาชนะเหมือนกับเรากำลังเทบุญความจริงแล้วเราส่งความรู้สึกที่ดี good feeling happy feeling ให้กับคนที่เขากำลังหิวกำลังอยากวันนี้ผมแบ่งความสุขความอิ่มให้คุณนะคุณสามารถเอาไปได้แล้วทำให้คุณอิ่มได้นี่คือเรียกการอุทิศบุญด้วยการกวดน้ำ ส่วนการแผ่เมตตานี้ก็คือการให้ความรักแก่ผู้อื่นให้ให้ไ ม, ไมตรีจิ ต, ตออแสดงไมตรีจิตต่อผู้อื่นอันนี้ต้องให้ตอนที่เจอกันแค่เวลาเจอใครก็มีขนมก็เอามาฝากเขามีเงินก็ให้เขาใช้บ้างเรียกแผ่เมตตาไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็บึ้งตึงนอกจาก้กถ้าเขาไม่ยืมเงินที่บ้านอะคะ ก็อันนี้แล้วแต่ว่าความเหตุผลว่าสมควรไม่สมควรไงแล้วแต่เราต้องพิจารณาว่ามันมีหนาหลายอย่างเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบของการตัดสินใจคนที่ยืมเงินเราเขามีบุญคุณกับเราหรือเปล่าเรามีหนี้เราเป็นหนี้เขามาหรือเปล่าใช่ไหมเขาเคยช่วยเหลือเราหรือเปล่าแล้วเราควรจะให้เขาเท่าไหร่เราจะให้แบบไหนให้แบบว่ า, เ, าเขาจะคืนก็ไม่คืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ หรือถ้าจะให้เขาคืนก็ต้องให้เขาเอาโฉนดมาไว้ก่อนอะไรมันก็มีวิธีการมันไม่ใช่ว่ามันจะอพอเข้ามายืมเงินก็ให้เขาไปเลยเแล้วก็แล้วก็มากุ้มใจทีหลังเงินของเราอยู่ในกระเป๋าเราทําไมปล่อยใข้อไปล่ะปล่อยเข้าไปแล้วก็มาบนนะ่นใช่ไหมออันนี้ไม่ได้เรียกว่ามันไม่เมต มันไม่ได้ขาดความเมตตาอมันไม่ได้เป็นการโหดร้ายถ้าเราไม่ให้เขายืมกันไม่บาปไม่โหดร้ายแต่อาจจะไม่เมตตาเท่านั้นเองแต่บางทีก็เมตตาไม่ออกเพราะว่าของบางอย่างมันเมตตาไม่ได้ของบางอย่างเราก็ต้องเก็บไว้สำหรับตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราให้เขาไปแล้วเราก็เดือดร้อนนี้เราก็ให้เขาไปไม่ได้จึง้ามาขอลูกเราเอง ขอแฟนเราเอี่ยเราจะให้เขาไปได้ป <ets> ่ะเงินก็เหมือนกันอเงินก็เหมือนแฟนเหมือนลูกอ่ะบางทีบางทีบางคนรักเงินมากกว่ารักลูกแล้วคําถามจากคุณอ้อมยะดาค่ะความกลัวในเรื่องใดๆก็ตามเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเราควรฝึกละกิเลสตัวนี้อย่างไรคะก็หันไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวให้มันไม่กลัว่ คำถามจากคุณป้อมค่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือเราเราไม่ได้ช่วยเพราะรู้ว่าช่วยเขาแล้วเขอวาอาจะสร้างปัญหาขึ้นใหม่เรื่อยๆไม่สิ้นสุดเราผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาบางทีก็ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยคําถามจากคุณณภพลนะครับคําถามที่สอง ตอนเด็กเริ่มจำความได้ยังไม่ตะสีตระสาผมชอบได้ยินเสียงแปลกบ่อยๆเวลาเคิรมหลับทําให้ผมกลัวบางครั้งก็ลาคาญผมถามคุณย่าคุณย่าสอนว่าไม่ต้องไปสนใจใส่ใจมันหลังจากทําตามที่ย่าสอนก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยอย่างนี้คําสอนคุณย่าถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วอย่าไปสนใจอะไรเกิดก็ให้รูว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีนยยะอะไร จ, จิตใจเราบางทีมันมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้แต่มันไม่สามารถที่จะมาทำให้เราดีหรือชั่วได้นอกจากเราไปหลงเชื่อมันเองแล้วไปคิดเองแล้วไปทำเองถ้าเราเฉยๆอยู่เฉยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปเหมือนเหตุการณ์เนี่ยคนตายสามคนเมื่อวานนี้มันก็เกิดแล้วมันก็ดับมันก็ไปแล้ว เราก็เฉยๆของเราก็อยู่ของเราต่อไปมันไม่ใช่มีนนะมันไม่น่าที่ของเราต้องไปทำเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราสงสารคนตายก็ทำบุญกวดน้าให้เขาไปก็แล้วกันเผื่อเขาไม่มีบุญก็อาจจะมาขอบุญจากเราก็ได้คำถามจากคุณเล็กนะครับต้องทำอย่างไรจรึงจะเอาชนะทุกเวทนา ได้เวลานั่งสมาธิหรืออยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บปวดทั้งกายและใจและเข้าสู่ความสงบได้ก็คือต้องไม่อยากไม่อยากให้ความเจ็บหายไปต้องไม่อยากลุกไม่ไม่อยากหนีให้อยู่เฉยๆไปกับความเจ็บนั้นถ้ามันไม่ยอมเฉยก็ต้องใช้พุโทโธทําให้มันเฉยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันก็จะเฉยได้อันนี้วิธีแรกวิธีที่สองก็ สอนใจว่าที่เจ็บมันคือไม่ใช่ใจเจ็บคือร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแล้วใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายทาไมเพราะร่างกายมันไม่มีความรับรู้มันไม่รู้ว่ามันเจ็บ mm hmm. กระดูกมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเนื้อหนังเอ็นมันไม่รู้ว่ามันเจ็บผู้ที่รู้ก็คือจิตแตผ่ผู้รู้นี้ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายผู้รู้นี้สามารถรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้ไปถึงขั้นสุดท้ายของความเจ็บเลย เพียแต่ว่าผู้รับรู้นี้ไม่อยากจะรับรู้มันก็เลยทำให้ทรมานใจเท่านั้นเองถ้ายอมรับรู้ได้มันจะไม่ทรมานใจมันจะเฉยเฉยมันจะรู้สึกเหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บนี่คือการสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายเพื่อที่จะได้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายให้มันเจ็บไปคำถามจากคุณวิไลคะ่ะ ทำบุญกับผู้มีอันจะกินกับผู้ไม่ค่อยมีจะกินได้บุญต่างกันไหมเจ้าคะก็คือคนให้อะได้บุญเท่ากันคือบริจาคเงินไปร้อยบาทให้กับคนรวยกับบริจาคร้อยบาทให้กับคนจนคนบริจาคนี้ก็ได้บุญร้อยบาทของตนเองเท่ากันแต่ประโยชน์ก็อยู่ที่คนที่รับว่าเขาจะไปทําอะไระ คนที่รวยเขาอาจจะเอาไปทำประโยชน์ต่อก็ได้เอาไปทำบุญต่อคนที่ไม่รวยก็กินเพราะเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่สามารถเอาไปทำประโยชน์ต่อเขาก็ก็มีแค่นั้นแต่คนให้ก็จะได้ได้บุญเท่ากันทำกับคนรวยไม่ทำกับคนไม่รวยก็ได้เท่ากันคำถามจากคุณอานวยค่ะเวลานั่งสมาธิ แล้วออกจากสมาธิแล้วหิวครับทําไมเวลานั่งสมาธิเอาไว้นั่งสมาธิจิตสงบมันก็อิ่มไนงะออก็จากสมาธิมาพอมันคิดถึงเงาหนมคิดถึงข้าวมันก็หิวขึว้นมาคํถาคถามจากคุณเกียงไกลค่ะท่านที่ถึงสกิทาคามีผลแล้วจําเป็นต้องถือสินแปดเพื่อทําต่อไปไหมครับหรือหรือถือศีลห้าที่เป็น อภัพมจริยาก็ได้ครับสินห้าไม่มีอภรพมจริยาหรอกสินห้ากามีแค่กามีถ้าถืออภรพมจริยามันก็ต้องถือศินแปดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ทางขั้นสูงเขาก็ถือสินแปดกันทั้งนั้นถ้ายังถือสีนหอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่เห็นอสุภะ ยังอยากฉัร่วมหลับนอนกับซากศพอยู่คำถามจะคุณอาํานวยค่ะใช้จิตรักษาคนป่วยได้ไหมครับโรคบางอย่างก็รักษาได้ถ้าโรคจิตนี่ก็อ๋อแต่จิตคนอื่นไม่รู้นะแต่จิตของตัวเองนะต้องใช้ธรรมะโอสถรักษาจิตได้ถ้าโรคเครียดเนี้ยแล้วก็ใช้ธรรมะโอสถมาสอนใจว่าะ ไปเครียดทำไมเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเครียดกับเรื่องนี้เรื่องนี้ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราการได้ก็ทำไปกันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปเราก็จะไม่เครียดคนเครียดเพราะกลัวบ้างเครียดเพราะโลภบ้างเห็นไบางทีไปลงทุนเนี่ยเครียดแล้วไม่รู้ว่าจะลงทุนแล้วจะได้เงินคืนมาหรือเปล่า ก็เครียดอยากจะได้เงินคืนกลัวกลัวจะขาดทุนวิธีก็คือว่าอย่าโลกแล้วก็จะไม่เครียดลงทุนน้อยๆลงทุนแบบปลอดภัยที่ชัวๆอย่างเงี้ยอย่าไปเสี่ยงมากเสี่ยงมากมันก็เครียดมากเสี่ยงน้อยมันก็เครียดน้อยคาถามจากคุณสยักค่ะแฟนของพ <Your girlfriend. S 2> ี่ เกอร์แฟนเกอร์แฟนเสฮอลโลเธอดิฉันอยากให้แฟนอยู่ต่อที่วัดกับอาจารย์ค่ะแต่แฟนบอกต้องกลับมาฝรั่งเศสโอะโอดิฉันไม่อยากให้แฟนเป็นห่วงดิฉันกับลูกที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าดิฉันโตพอที่จะดูแลลูกและบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันรู้สึกผิดไหมคะที่ทำให้แฟนต้องเป็นห่วงดิฉันและลูกค่ะ อ๋อไม่ผิดเราเป็นธรรมชาติของคนเราเวลารักกันก็ต้องห่วงกันเป็นธรรมดาอ่เพียงแต่ว่าให้มันห่วงด้วยเหตุด้วยผลก็พ อ, อ, อเขาขไม่ห่วงเราเหรอกเขาคงอยากจะกลับไปพราเขาอยากจะไปทำอะไรมากกว่าเพียงแต่เขาก็อ้างว่าเขาห่วงเรา <laughs> <laughs> เพื่อให้เราสบายใจก็อยากจะกลับไปกินอาหารฝรั่งเศสก็ได้ะนะ <laughs> อยากจะไปดื่มวาย <laughs> เฮ้ยวันลโหลตุัยว่ามดูคุณชินนะครับการนั่งสมาธิเราสามารถดูลมหายใจก่อนต่อมาเกิดปวดเมื่อยขาโยงก็เปลี่ยนมาดูขาที่ปวดเมื่อยสักพักก็หายปวดก็กลับมาดูลมหายใจอีกครั้งไม่ทราบว่าทำถูกหรือไม่ก็ ถ้ามันสงบ ก, ก็ใช้ได้แต่ทั้งที่ดีอยากจะให้อยู่กับนมอย่างเดียวไปจะดีกว่าไม่ให้ไปสนใจความเจ็บเลยจกคุณพิพัฒน์นะครับการอุทิศบุญให้กับญาติที่ร่วงลับไปแล้วต้องใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยขอรับและจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่เราอุทิศไปได้รับบุญที่เราอุทิศให้ก็ใช้ภาษาใจเรา ภาษาใจคือใจของเราคิดภาษาไหนก็ใช้ภาษานั้นไป mm hmm. แล้วก็จะรู้ได้ไม่รู้ได้นี่ก็ไม่แน่หนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับหรือเปล่าเขาอาจจะมีบุญมากเขาก็ไม่มารอรับก็ได้ mm hmm. ถ้าเขาทำบุญมากตอนก่อนตายเขาไปเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่มาเป็นขอทานมารอมาขอบุญ mm hmm. แต่ถ้าเขามาขอบุญ ส่วนใหญ่นี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขามาเข้าฝันเนี่ยเช่นเมื่อคือนนี้เขาฝันว่าโอ้หิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินช่วยส่งข้าวไปให้เขาหน่อยตอนเช้าเราก็ลองใส่บาทแล้วก็ส่งไปให้เขาถ้าคืนตอนคืนเข้ามาเข้าฝันบอกขับใจเหมือนเนี่ยเหมือนเฟซบุ o กเนี่ยที่ถามไปตอบไปแล้วเขาก็ส่งข้อความกลับมาอย่างนี้เราถึงจะรู้ได้ว่ามีการอตอบโต้กัน ถ้าเราทำไปแล้วไม่ได้รับไ ม, ไม่ไม่มีอะไรตอบกลับมาก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้รับก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเราก็ทำแบบนี้สิตอนต้นก็อุทิศให้คนที่เจาะจงว่าคนนั้นคนนี้ถ้าเขาไม่ไม่ได้รับก็ขอให้ดวงวิญญาณดวงไหนที่ต้องการรับบุญนี้ก็ให้เขาเอาไปก็ได้ จ า, จากคุณอาจารย์งามนะครับการถือศีลแปกับการถืออุโบสถศีลในวันพระมีอั น, นิสส์ต่างกันอย่างไรครับคืออันเดียวกันเน่ยเพียงแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่โบสถ์รักษาที่โบสถ์เขาก็เรียกว่าอุโบสถศีลถ้าไปรักษาที่บ้านก็เรียกว่าศีลแปดมันก็ศีล8เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาใช้เรียกต่างกันเท่เนั้นเพราะว่ามี ญ, ญาติโยมที่เขานิยมไปรักษาศีลแปที่วัดเขาก็ไปอยู่ที่โบสถ์กัน อธราทวัดเขาไม่มีที่พักให้ญาติโยมอยู่ก็มีที่โบสถ์ที่เขาจะไปนอนไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอุโบสถศสีนอุโบสถไปนั่นก็คือถือศีลแปดนี่เองคำถามจ้าคุณนนทนาค่ะไปปฏิบัติธรรมนั่งที่ที่ลำบากนั่งตามป่าเขามียุ้งลิ้นลยกับนั่งปฏิบัติในห้องแอร์สบายทุกอย่างเลือกอะไรดีคะ สำหรับผู้ใหม่ค่ะก็แล้วแต่กำลังของเราว่าเราจะสู้กับความทุกข์ยากลำบากได้หรือเปล่าถ้านั่งแล้วมันเจอความทุกข์ยากลำบากแล้วลม้ลมล้มระเนระนาดไปนั่งไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปนั่งแบบนั้นนั่งแบบที่มันไม่ทรมานก่อนอนั่งในห้องปรับอากาศห้องเก็บที่ไหนที่มันไม่มีอะไรมารบกวนความเจ็บปวดทางร่างกายเพื่อเราจะได้ทาใจให้สงบได้แต่ต่อไป ถ้าอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องไปนั่งที่มันทรมานเพราะเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการฟันฝ่าความเจ็บต่างๆความเจ็บความป่วยของร่างกายและแม้แต่ความตายเราก็ต้องอฟันฝ่ามันไปให้ได้ถ้าเราถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ต้องไปลุยในป่าในเขาที่ทุกข์ยากลาบากที่หวาดเสียวน่ากลัวต่างๆเพื่อทาให้ใจเราปรงให้ใจเราตัดการยึดติดกับร่างกายให้ได้ แต่ตอนต้นนี้ยังไม่จําเป็นจะต้องไปถึงขั้นนั้นนอกจากว่าเรามีกำลังจะทำได้ก็ไปเลยหมดแล้วครับท่านนี่เหเข้ามาสุดอาสุดคำถามจากคุณวัดค่ะทำบุญโดยการบริจาคโรงศพเพื่อแนะนำว่าอย่าไปทำให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลหรือบริจาคให้วัดจะดีกว่าเนื่องจากคนตายไปแล้วจบไปแล้ว ทำบุญกับคนเป็นจึงดีกว่าจริงหรือเปล่าครับคือสิ่งต่างๆที่เราทำนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่ามันจาเป็นหรือไม่จาเป็นถ้าลงลงศพมันจาเป็นแล้วไม่มีลงศพจะใ ส, ส่ศพมันก็ต้องมันก็ต้องมีคนบริจาโลงศพเขาจะได้มีศพให้เขาเก็บไว้อะไรทำนองนี้คือ <c oughs> บุญที่เราให้ คือเองินที่เราให้ไปเนี่ยไม่ว่าจะไปให้โรงพยาบาลให้บุนิธีที่ไปซื้อลงศพเราได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ที่จะเกิดจากเงินนี้มันแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ในทางไหนถ้าเอาไปใช้ทางโรงพยาบาลก็เอาเอาไปใช้รักษาร่างกายของคนที่ยังไม่ตายให้หายก็ได้แต่ถ้าเอาไปซื้อลงศพมันก็เพียงแต่ไปทําให้มีที่เก็บศพศพมันจะได้ไม่ มันจะได้ไม่น่าเกลียดหน้าอะไรมีที่เหมาะที่จะเก็บไว้เพราะบางทีคนตายบางคนก็ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเนี่ยแล้วใครจะมาเอาโลงมามาใาสา่ให้เขาก็<ม><ม>ต้องอาศาาัยคนที่ใจบุญเนี่ยซื้อโรงศพมาให้<ม>เพื่อจะได้มีโลงศพไว้ก่อนที่จะเอาไปทำพิธีเผาวรู้ฝังนี่มันก็ต้องมีโลงศพไว้ก่อน ทางภาคอีสานนี่เขายากจนเขาก็ทำลงศพแบบง่ายๆเขาทาไม้ไผ่แล้วก็ใช้กระดาษปะเอาเพราะเขาไม่มีเงินที่จะทำลงศพดีๆเขาก็ไปเอาไม้ผงไม้ไปในป่ามาทาเป็นแล้วก็ปะเป็นเสาเป็นอะไรเป็นแล้วก็มีพื้นลอ ง, องแล้วเขาก็ข้างๆลง ฟ้าเขาก็เอากระดาษมาปะแทนก็ได้เพราะเขาก็เก็บไว้วันสองวันแล้วเขาก็เอาไปเผาแล้วคำถามจากคุณพูณสุขค่ะกลาบขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องการบูชาและบวงสรวงที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิค่ะคือการบวงสรวงทางพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้มี สอนให้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการาแสดงความเคารพเช่นกราบไหว้หรือถ้าอยากจะมีดอกไม้ธูปเทียนก็ใช้ได้แต่อันนี้เป็นการบูชาที่ไม่ได้ผลอะไรมากการบูชาที่พระเจ้าสอนให้เราบูชาก็คือปฏิบัติบูบบชา ก็คือให้เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาอันนี้คือการบูชาในหลักของพระพุทธศาสนาให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานด้วยทําทานด้วยทานศีลภาวนานี่คือการปฏิบัติบูชา การบูชาของพู้พุทธศาสนาเพราะมันจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้บูชาจะทําให้เจริญก้าวหน้าไปในทางมรรคผลนิพพานจะทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยการจุดธูปเทียนดอกไม้นี่มันไปไม่ถึงไหนคําถามจากคุณพรวิทยาค่ะจะแนะนําคนที่ไม่มีาศาสนา ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษให้มีความเกรงกลัวทิลิโอตปะเชื่อผลการกระทําได้อย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกับคนบอกคนตาบอดว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บอกไปยังไงเขาก็มองไม่เห็นะคนที่ก็ไม่เชื่อบอกเขาเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั้นไม่ควรที่จะไปสนใจกับคนที่ไม่เชื่อควรจะสนใจหรือช่วยคนที่เขาเชื่อดีกว่า ให้เขาได้เห็นชัดขึ้นดีขึ้นกระจางขึ้ น, น, นหม ด, ดแล้วอะมีอะไรอีกไหมอันนู้นมีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวนั่งรอคำถามไั่สองสามคำถามดู่ <c oughs> <c oughs> พักก่อนเดี๋ <c oughs> ยมีใครกำลังพิมพ์อยู่ อ่าว่าม า, มาถ้าสมมติว่าจะต้องแยกกับสามีงงอะค่ะคือไม่ได้เริ่มไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วบางทีหนูก็คิดว่าบางทีถือว่าตายจากแันไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงก็ตอนเมื่อก่อนเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ใช่เอตอนที่เราไม่เจอเขาไม่ได้อยู่เขาเราก็มเม็นจะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เออ่ยคิดาก็คนเร า, ม, ามันก็ชั่วคราวอยู่ด้วยกันมันก็ชั่วคราว เึงแต่ว่าเวลาแย่กันพยายามแยกกันแบบให้มันไม่มีปัญหาต่อกันก็แล้วกันคือให้มีความเมตตาต่อกันต่อไปอย่าให้เป็นศัตรูกันไหน ม, มันก็ผิดใจกันอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> ก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของอความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ถึงสอนไว้ไม่อยาไปมีคู่ คนที่ไม่มีคู่อยากปมีมีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้เจอความทุกข์ตามมาแล้วแยกก็แยกแล้วแต่คือขอให้เราสงบแล้วเราไม่วุ่นวายไปกับการแยกก็ใช้ได้ไม่ทุกไปกับการแยกจากกันก็ใช้ได้แม่แก็วุ่นวายขังไว้คิดว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่าเ้ค่ะมันก็คิดมาก สุดท้ายก็คิดมากไปก็ก็ามาันก็คิดไม่ได้อยู่ดีก็เลยก็เขปล่อยมันเป็นไปตามทีไไ่มันจะเป็นอ่านั่นแหละแล้วมันก็สงบถ้าเรายอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปในเมื่อเราตัดสินใจเลือกเดินทางนี้เราก็เดินของเราไปกต้องอก็สงบไม่สงบแหละสงบอ่าสงบก็ถูกต้องคิดเพื่อให้ใจสงบคิดเพื่อไม่ให้ใจทุกข์ ตอนนี้เขคิดว่าอือะไรก็ต้องแบบพึงพ่งกวนอือนมัน <Rapha el. S 2> ไม่แน่นอนใช่ไหมบา<อ>งทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้น อ, นอกอาจจะผิดไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอะไรอย่างนี้คก็มีสัญญาที่เราต้องดูแลเขาหรือเปล่าไม่มีก็ไม่ผิดอถ้ามีสัญญาไว้ก่อนว่าต้องดูแลกันก็ผิดเขาบอกว่าให้รออะไรประมาณนี้ยค่ะแต่เราคิดว่า ถึงก็ถึงก็คิดว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปก็ไม่ได้อยากใหรอหรือว่าอะไรอาจจ้อเผลอต่ว่ารอไปแล้วคนทีมอาจจะไม่เป็นอย่างที่ที่เราคิดหรือว่าเราคิดอะไรนะคะเราก็ไม่อยากอันนี้ก็เป็นความเห็นต่างกันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นเราก็คิดว่าแล้วแล้วแต่มันจะเป็นไปอะไร่ก็เราก็เราตัดสินใจไปทางนี้เราก็ไปทางนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไป นี่เข้ามามว้คาถามจากคุณสกายฟอค่ะเราจะเอาชนะความกลัวและวิตกกังวลอย่างไรคะก็ต้องมันคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกันไม่มีใครไม่ตายถ้าเรายอมรับความตายได้เราก็จะหายกังวลแล้วก็จะหายกลัวคําถามจากคุณอ้อมยดาค่ะ ความกลัวจากเป็นกิเลสประเภทความหลงใช่หรือไม่เจ้าคะหลงยึดร่างมีตัวเรากความกลัวมันก็เกิดจากความหลงอ่หลงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเราก็เลยกลัวไม่อยากให้มันจากเอาไปในร่างกายเราแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นของเราเราก็จะไม่กลัว แล้วเราควรฝึกในชีวิตประจําวันอย่างไรเพื่อละความยึดตัวเราของเราเจ้าคะก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนตายอยู่เรื่อยๆไปดูศพอยู่เรื่อยๆเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเขาก็ต้องเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็มีชีวิตอยู่มีอะไรอยู่ตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วเราต่อไปก็ต้องตายเหมือนกับเขาถ้าเราเห็นบ่อยๆเขาต่อไปเราก็ปรงได้ คำถามจากคุณนาโนนะครับเมื่อเห็นปัญหาแล้วตัวเองเป็นทุกข์แล้วพิจารณาอนัตตายอย่างไรครับก็แล้วแต่ว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแนหะถ้าทุกข์กับแฟนก็พิจารณาว่าแฟนเขาไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะอยู่เขาอยากจะไปก็เป็นเรื่องของเขาที่เราทุกข์เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราแต่ความจริงเขาไม่ใช่ของเรา เขาจะไปก็ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปถ้าเราปล่อยเขาไปได้เราก็ไม่ทุกข์จากคุณพิพัฒน์นะครับการทําบุญกับพระไม่ปฏิบัติกับทําบุญกับพระเอาอาหารได้บุญแตกต่างกันอย่างไรบ้างขอรับบุญที่ทํานี้เท่ากันไงบริจาคร้อยบาทให้กับพระกับพระอาหารงี่มันก็ได้บุญเท่ากัน แต่ประโยชน์จะได้รับจากพระสองรูปนี้ต่างกันถ้าคุยกับพระอรหันต์ท่านอาจจะสอนให้เราไปนิพพานถ้าคุยกับพระที่ปลูกเสกเขาอาจจะสอนให้เราไปาไปปลูกทําพิธีปลูกเสกเไปหล่อพระพุทธรูปไปทำอะไรต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์จากท่านต่างกันคําถามจากคุณพรวิทยาที่ถามเรื่องคนไม่มีศาสนาก็บอกว่าเป็นพ่อของเขาเองนะครับอา บอกอยากไปเบียดเบียนสัตว์ให้ปล่อยเขาไปบอกเช่นไรท่านจึงจะเชื่อมีอุบายบ้างเจ้าคะก็ลองเบียดเบียนท่านดูเลยเราตีหัวท่านดูแล้วถ้าท่านด่าเราได้บอกนี่แหละเวลาเวลาพ่อไปตีหัวคนอื่นมันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> คนเราบางทีมันตัวเองไม่เจ็บมันไม่รู้นะตอนให้คนอื่นก็ทําบ้างถึงจะรู้ น่กขโมยเงินของพ่อไปดูแก้งขโมยเงินของพ่อไปขโมยของที่พ่อรักไปดูแล้วเวลาพ่อทุกขึ้นมาจะได้รู้ว่านี่แหละพ่อถ้าพ่อไปขโมยเงินของคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคำถามจากคุณอํานวยค่ะตอนนั่งสมาธิแล้วตอนที่นิ่งแล้วเราจะสับปะงกจะแก้ยังไงครับก็อย่ า, รรออยานั่งกต้องลุกขึ้นมาเดินแก้งว่วงก่อน คำถามจากคุณวัดค่ะไปกราบพ่อที่เสียชีวิตแล้วตอนเชงเม้งคุณพ่อจะรับรู้หรือเปล่าครับไม่รู้หรอกคำถามจากคุณปียโนตค่ะนั่งสมาธิได้ไม่นานรู้สึกเบื่อและฟุ้งซ่านจะแก้ยังไงได้บ้างคะก็ลองมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนหรือ ว, ว่าฟังเทศฟังธรรมไปก่อน เพราะใจเรายัางไม่พร้อมที่จะนั่งอยู่เฉยๆให้มันมีอะไรทําให้มันสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนฟังธรรมะไปก่อนจต่คุณป๊อปนะครับเคยถูกคนหลอกเอาทรัพย์ที่เป็นของพ่อแม่ไปและสัญญาว่าจะคืนผ่านมาหลายปีก็ไม่ได้คืนและรู้ว่าคงไม่ได้คืนแต่ยังปิดในใจขอคําที่แนะจากพระาจาร์หน่อยว่าควรทําใจอย่างไรคะ ก็ให้คิดว่าเป็นของที่ถูกขมโมยไปแล้วแล้วกันจะได้สบายใจเงินยืมก็เหมือนเงินที่ถูกขมโมยไปนั่นแหละ <S <S อย่าไปหวังเอาคืนเลยถ้าไม่มี ถ, มมถ้าไม่มีหลักทรัพย์ลหลักขั้มประกันแล้วไม่มีวันที่จะมากลับคืนมาง่ายๆหรอกธนาคารก็ถึงไม่เจ๊งก็เพราะว่าเขามีหลักทรัพย์กันใช่ไหมเวลาใครไปกู้กันธนาคารนี่ก็ถามว่ายมมีอะไรหรือเปล่า <S <S <S มีที่ดินหรือเปล่ามีบ้านหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีเขาไม่ให้เรากู้หรอกเั็งถ้าเราให้เขายืมโดยที่ไม่มีหลักคําประกรันก็ถือว่าเป็นงานที่ถูกขโมยไปแล้วจะสบายใจคิดว่าโดนพ้นแบบที่พระาจารย์หมอสบายใจกว่าคำวาโ <c oughs> ดนพ่นนะโดนพ้นก็ได้ <c oughs> โดนพ่นสบายใจโดนพ้นโดนขโมยก็เหมือนกันนะ <c oughs> ่ะหมดหรือยังยังมีข้อครับจากคุณเจ้าฮะนะครับได้นั่งสมาธิกําหนดว่าจะนั่ง สมาธิ 20-30 นาทีเมื่อถึงเวลาหนึ่งใจรู้สึกว่าครบกําหนดเวลาแต่ใจยังอยากนั่งอยู่อีกเรื่อยๆควรจะนั่งสมาธิต่อไปหรือออ ก, กสมาธิค อ, อ๋อควรจะนั่งไปนานๆ น, นั่งมากๆนั่งให้มันสงบให้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเวลาเลยนอกจากเรามีความจำเป็นจะต้องมีเวลาต้องไปทำอะไรต่อแต่ถ้าเราไม่มีเวลาต้องไปทาอะไรพยายามนั่งให้มันานานๆ ไคิดว่าการนั่งสมาธิเหมือนกับการขุดทองอเวลาขุดทองนี่คุณอยากจะเลิกขุดไหมมีแต่จะขุดไปทั่งไม่มีแรงนั่งสมาธิค่ายมันนั่งอยจนกระทั่งมันนั่งไม่ได้แล้วค่อยลุกค่อยเลิกถ้ายัางนั่งได้นั่งต่อไปอาสักสองสามกับจากคุณเล็กนะครับเวลามีสติจิตตั้งมั่นแล้วจะเจริญปัญญาอย่างไรต่อครับก็ถ้ามัน ตั้งมันก็ให้มันตั้งให้มันนิ่งไปนานๆก่อนให้มันสงบไปนานๆานก่อนพอมันออกจากความสงบแล้วมันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วค่อยไปคิดทางด้านปัญญาคิดทางด้านตายรักไปไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงจะต้องมีวันพัดพากจากกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ปูย่ย่าตายาย ของทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมีวันซึ้นสุดองมีวันพัดภาคจากกันถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเราจะลืมไปเราอาจจะคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแต่พอเราคิดแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเขาจะต้องไปนะหรือแม้เราก็ต้องไปนะต้องจากกันนะถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอจากกันเราก็จะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกน้ำค่ะเวลาทำบุญ ทำดีก็จะฝันดีเวลาทําผิดศีลจะรู้สึกผิดและก็จะฝันร้ายค่ะอยากทราบว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ฝันไหมคะก็นั่งสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆหมดแล้วเลยหมดครับออดีาพอสมควรใหญ่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปนิพพินณาไปปฏิบัติ